قال رب ثرني بما كذبوا <تصفيق> فأوحينا إليه أن سنفعلك بأعيننا و ح ي ن ا إليه أن سنفعلك بأعيننا وَحِينَا فَإِذا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَرَتَنُورُ فَسْلُكْ فِيهَا และเจ้าจะได้หนีสนาอินและเ้าจะได้หนีสนาอิ لا تخاصبني في الذين ظلموا. إنهم مورقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سجئات أعمالنا ما يهده الله فلا م ض ل ل ُ وَمَن ي ُ ض ل ِ ل ْ فَلَهَا د ِ ي ل َ ه ُ و َ ش َ د ُ ن ْ ل َ ا ل ل َ ه َ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ و َ أ َ ش ْ ه َ د ُ أَنَّ م ُ ح َ م َّ د ً ا, ع أ, أ ن ع َ ب ْ د ُ ه ُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ ن َ ح ْ ي َ وَبِكَ ن َ م ُ و ت ُ وَإِلَيْكَ النُّشُور อ ع و ذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء و ه و ا ل س م, ع م. س ي م س إ أ ع العليم رضيت بالله رب ا و بالإسلام دينا وبمحمد الرسول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر Rabbi ك ك ر ับบ่อาอุจุบิค์ม في งอาดับิมฟินนารีว่าดับิมฟินลับ ب ีอัลลัฮุ์มะฟินีฟินบดันีว่าฟินีฟินสัมเง و ว่าฟินีฟินบัซรีพี่น้องที่ร่วมละมาสุบ้องที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลละเราขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาณัติอัลลอฮ์ให้เราหลับไป แล้วก็ให้เราตื่นขึ้นมาเมื่อคืนนี้ดวงที่เราอ่านอยู่เป็นการทบทวนนะเรื่องอิมานของเราก็คืออ่านดวงคุณอัลลอ์อัลฮัมดุลิลลาฮิลลอะยานบดดามะอมตานะลินอชดอาออกจากบ้านก็คือบิสมิลลาฮิวกัละัลลอฮวะลาฮลวะลาวะตอิลลาลลขึ้นรถก็อ่านดอีก ร سبحان الذي سخر า ل ن ا هذا وما كنا له م ق าอิ ن وإنا إلى ربنا لمُنقَلِبون ขับรถมาจะเข้ามัสยิดก็มีดูอาอ่านอีกอัลลอฮุมะฟตัฮลีอับบาบารห์มาติกะพอถึงมัสยิดเสร็จแล้วก็นมาสดให้เกียรติกับมัสยิดสองเราก็อัดนะครับโอ้ทั้งหมดันี้เป็นสุนนะของท่านนบีทั้งหมดนะครับนบีสอนไว้บนโลกดุนยาไปนี้ เป็นสบียงระดับโลกอาคริรทั้งหมดครับ <c oughs> ขอบคุณอัลลอฮ์นะเราได้ทบทวนกุกรานมาถึงสุรร์อ์อัลมุมินูนนะครับอัลมุมินูนเนี่ยแปลว่าผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะครับอายะที่แล้วเนี่ยอายะที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรนะพูดถึงเรื่องอัลลอฮ์เนี่ยส่งนบีนุฮ์นะครับมาทํางานศาสนา พราะคนเนี่ยจะหากว่าอยู่บนดุนยาเหมือนหลงวัตถุทุกคนนั่นแหละอยู่บนดุนยาใบนี้นะหลงวัตถุทั้งหมดเป็นห่วงเรื่องท้องกลัวไม่มีริสกีกลัวจะอดตายกลัวจะไม่มีเงินใช้แต่อัลลอฮฺสังเกตนะอัลลอฮฺเนี่ยกําหนดสิ่งที่อยู่ในท้องเราเนี่ยหลังจากครบร้อยยี่สิบวันเนี่ยกําหนดเรื่องอะไรก่อนนะริสกีก่อน กำหนดเรื่องริสตีก่อนอัลลอฮหุบวาเห็นยังแล้วก็กำหนดเรื่องอาญัตทีหลังเราเนี่ยรู้เข้าใจแต่เวลาภาพปฏิบัติจริงๆชักสงสัยอัลลจะให้ริสกีเราหรือเปล่านี่ริสกีเนี่ยอัลลอ์กำหนดให้นะเรื่องแรกเรื่องริสกีเรื่องที่สองเรื่องอาจันเรื่องที่สามเรื่องอามันเรื่องงานเรื่องการเรื่องงานมีอาชีพเนี่ย และเรื่องทีซีเนี่ยบางคนแปลว่ายิ้มกับร้องไห้อะบนดุญยานี่กี่วันแต่อัลมาบางท่านอธิบายบอกว่าชีวิตที่มีความจะเป็นคนดีหรือคนชั่วเนี่ยอันนี้เราต้องเลือกเองจะเป็นคนดีหรือคนชั่วเนี่ยเราเลือกเองนะส่วนอื่นๆเนี่ยเลือกไม่ได้อาจะเป็นคนรวยเลือกได้ไหม จะเป็นคนจนเลือกก็เลือกไม่ได้จะเป็นคนสูงคนเตี้ยเลือกไม่ได้จะผิวสวขาวผิวดําผิวเหลืองเลือกไม่ได้อัลลอฮ์กำหนดหมดหมดแล้วใช่ไหมฉะนั้นถ้าจะเลือกได้มีอยู่สังมีอยู่อย่างเดียวนะเลือกเป็นคนดีเป็นผู้อีมาศรัทธาต่ออัลลอฮ์กับเลือกที่ปฏิเสธต่อคําสั่งของอัลลอฮ์สองอย่างเองที่เลือกได้นอกนั้นเลือกไม่มีสิทธิเลือกเลยนะฉะนั้น ถ้าอัลลอ์ไม่ส่งนบีนุ่งมาสอนเรื่องวิญญาณคนเนี่ยหลงเรื่องทองหมดเลยเป็นห่วงเรื่องวัตถุวัตถุวัตถุวัตถุอ้าวมีบ้านก็ยังไม่พอมีสองหลังก็หลออขอหลังที่สามอีกมีรถหนึ่งคันก็ยพอขอคันที่สองอีกมันมีเรื่อยละ่ะรีสกีของอัลลอฮ์นี่แสวงหากันไม่จบนะพี่น้องแต่ไม่มีใครห่วงเรื่องวิญญาเรื่องรู่เรื่องวิญญา น้องเหตุนี้อร่อยมาสร้างมัสยิดทารอให้มนุษย์สร้างมัสยิดแล้วให้มีกุราน ล, ลงมามีนบีมุฮัมมัดมามีระซุนมามีนวัวมามีอิบรอฮีมาเพื่อมาสอนเรื่องของวิญญาณทั้งหมดเลยพูดง่ายๆก็สอนเรื่องอาคิเร็อกส่วนดุนยาเนี่ยส่วนเรื่องของโลกดุญญนยาไปนี้จะอยู่ยังไงให้สบายจะอยู่ยังไงให้มีเกียรติจะอยู่ยังไงให้ร่ำรวยจะอยู่ยังไง คิดเรื่องดุลยาอย่างเดียวส่วนนบีนั้นมาสอนเรื่องรั้ว ح. วิญญาณวิญญาณวิญญาณวิญญาณตลอดเวลาเลยนะครับเมื่ออัลลอฮ์ได้ส่งนุ่นมาเนี่ยนุ่นก็นมาสอนเรื่องอะไรก่อนนะมาและกุมมินอีและฮินอยรูไม่มีพระเจ้าอื่นใดในโลกนี้ที่สําคัญยิ่งคือนอกจากอัลลอฮ์องเดียวนี่แหละเป็นอาหารวิญญาณที่มีราคาแพงมากที่สุด <Jub ilee> <use>. <S 1> <S 1> คนทําไม่รู้จักอัลลอฮ์องเดียวนะหัวใจของเขาไม่สงบถ้าไม่รู้จักอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์มีองคเดียวอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างมีอยู่ 9-9 ้าสิบเฟัตนี่นะถ้าเราเข้าใจเรื่อง 9-9 ้าสิบเาฟัดของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยอยู่บนดวงยานี้สง่างามอัลฮัมดุลิลลาอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์เป็นผู้ดูแลอัลลอฮ์ให้รีสกีอัลลอฮ์ให้ลมให้อากาศให้ออกซิเจนให้เป็นผู้หญิงให้เป็นผู้ชะเนี่ยรูจักทั้งหมดเลย ถ้าเข้าใจสิทัตอัลลอฮ์99พระนามทีนี้พออัลลอฮ์มาพอนบีพอ น, บ, พอนบีนวลมาสอนเรื่องอัลลอฮ์อง์เดียวงงเพราะไม่มีใครสอนเรื่องอัลลอฮ์องเดียวนอกจากบรรดานาบีเท่านั้นนอกจากบรรดาหนาบีเท่านั้นที่สอนว่าอัลลอฮ์มีองเดียวนะพระเจ้ามีองค์เดียวนะในขณะที่ผู้คนบนหน้าโลกใบ น, นี้สอนว่าพระเจ้ามีหลายองค์ในฮินในประเทศอินเดียเนี่ยมีพระเจ้าสาม0มื่นอง ค, อคิดดูสิ ในเมืองไทยเราก็เหมือนกันพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เต็มไปหมดใช่หรือไม่ใช่อันนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์ไอ้ น, นี่ก็ศักดิ์สิทธิ์โอ้ศักดิ์สิทธิ์หมดมีเป็นร้อยเป็นกันในเมืองไทยแต่นั้นถ้าหาไม่อ่านกุณอ่านไม่รู้เลยว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ในโลกนี้มีกี่องค์พออ่านกุณอ่านปั๊บโอ้มีองค์เดียวไอ้องค์เดียวนี่แหละไม่เคยใครสอนมาก่อนนีะแล้วก็พูดค้านท่านนบีนุฮมาตลอดเอามาดูอายะที่สองที่ยี่สิบสี่วันนี้นะครับ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا ب َ ش َ ر ُ م ِ ث س ل ُ ك ُ م ْ يُرِيدُنَ و أ َ ي َ ت َ فَبَلَعَلَيْكُمْ ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في أ ب ا ِ ن الأولين الله أكبر فقال ا ل م ل َ و الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر م ث ل ك م يريدون أن يتفضلا عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا Bi a า a อีนั่ล w วอลีนอ l ลลอฮฺอัลลอฮฺบัดลับ l ะบดุลลอฮคุณอานอธิบายชัดเลยนะ <c oughs> อพยะค์นี้ <c oughs> คืออพยะค์ก่อนหน้านี้อัลลอฮฺส่งน บ, บีโนห์มามาสอนเรื่องตาวฮิตก่อนมาดะกุมมินอิลาฮินร้อยรุไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรจะการเคารพ บ, บูชานอกจากอัลลอฮฺองค์เดียว ให้ยึดพระเจ้าองค์เดียวไอ้พระเจ้าองค์เดียวนี่แหละอายานี้ค้านเลยอมาดูเขค้านกันยังไงนะฟะกอลัลมาลาอุลลาดีนากาฟารูมิเกาวมิมาลาเนี่ยแปลว่าหัวหน้าอัลมาลาอูเนี่ยแปลว่าหัวหน้าอัลลาดีนบันดาผู้ที่กาฟารูแปลว่า ปฏิเสธหัวหน้าของผู้ปฏิเสธเนี่ยเราสอนให้เรารู้เลยนะกลุ่มที่ไม่เอาอิสลามเนี่ยกลุ่มที่แอนตี้อิสลามเนี่ยมีหัวหน้าไหมเนี่ยบอกให้รู้เลยนะมาตัวนรราชายสบองเลยอ๋อหัวหน้าเขามีจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผย อ, อีกเรื่องหนึง่งนี่ถ้าไม่เรารู้เลยว่ามีหัวหน้า จะหาเธอเจอแนะ่จะหาได้ไม่หาไปต่อไปหาก็ได้อัลลอฮ์จัดการเองงานอย่างนี้มีหัวหน้าของผู้ที่ปฏิเสธนะครับมิ่งเก้ามีฮีจากหมู่ชนของเขาของหมู่ชนของนบีนวัวนะมีมีหัวหน้าพูดง่ายๆอ่นะกลุ่มมุสลิมกลุ่มอิสลามที่เชิญชวนสู่อัลลอฮ์หัวหน้าของกลุ่มอิสลามก็คือนบีนวัวอัลลอฮิสซลาม และอีกกลุ่มชนที่ต่อต้านนาบีนวก็มีหัวหน้าเหมือนกันเอาล่ะกล่าวหมดเลยนะครับเอาทีนี้หัวหน้าของผู้ที่ปฏิเสธนะครับของหมู่ชนของนบีนวนะ่ะพูดว่ายังไงอลัลลอฮ์พูดทั้งหมดนี่สี่รายการพูดต่อต้านสี่รายการฟากอละหมายถึงได้กล่าวอัลมาละแปบลบว่าหัวหน้า อันดีนะผู้ที่กาฟารูปฏิเสธมิงเกามิฮิจากหมู่ชนของเขาหัวหน้าของบรรดาผู้ปฏิเสธในหมู่ชนของเขากล่าวว่าคําว่ากล่าวว่าเนี่ยนะในตัฟซีอธิบายว่ากล่าวคัดค้านแล้วก็พูดต่อนหน้าประชาชนกล่าวคัดค้านคําเตือนความสอนของนบี นวัวอัลลอฮิสลามที่อัลลอฮ์ส่งมานี่นะเขามีหัวหน้าแอนตี้กล่าวกล่าวคัดค้านต่อหน้าประชาชนเลยนะครับกล่าวว่างไงนะสี่เรื่องครับที่กล่าวตําหนินะสี่เรื่องเรื่องที่หนึ่งมาฮาจามาฮาจาแปลว่านวันวเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่ใครอ่ะมาฮาจาไม่ใช่ใคร นัเนี่ไม่ใช่ไม่ใช่คนมาจากไหนแล้วไม่ใช่ใครอิลลาบาชรุนนอกจากเป็นสามัญชนเหมือนพวกท่านนั่นแหละข้อที่หนึ่งนะกล่าวหาว่าน บ, บีนัวเนี่ยเป็นคนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละไม่ใช่ใครมาจากไหนเลยเสร็จแล้วก็มาแต่งตั้งเป็นตัวเองว่าเป็น นบีของอัลลอฮ์เนี่ยวดข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนไม่ใช่ใครแต่เป็นคนธรรมดาอยู่ในหมู่บ้านเหมือนพวกท่านนี่แหละไม่ใช่คนพิเศษเลยพี่น้องสังเกตนะคุณอ่านเนี่ยสอนดีนะ <c oughs> คนที่จะเป็นหัวหน้าคนเนี่ยในกลุ่มกาเฟรนี่นะเขามองนะต้องเป็นคนรวยสองต้องเป็นคนวิเศษ สต้องสามารถเดินบนน้ำได้สสามารถเดินบนไฟได้ห้าต้องบินได้คือมันก็เหาะได้แล้วก็ต้องเป็นคนรวยพิเศษถึงจะยอมรับให้เป็นหัวหน้านี่ลุมกาเฟสนะวันนี้ก็เหมือนกันคนจะเป็นหัวหน้าลีดเดอร์มอนคุณกาเฟส ต, ต้องรวยสุดวันนี้ใครรวยครับยาหูดีรวยรวยจะไม่รว ย, รว ย, ร, วยรวยที่สุดในโลกและเป็นหัวหน้าวันนี้ ทุกองค์กรมันคุ้มหมดเลยนะพี่น้องอันนี้สอนในคลิดกันแล้วกันนะพูดมาเรื่องการเมืองก็นไ่ดีนะเอาที น, นี้กลุ่มของคนที่แอนตี้อิสลามเนี่ยพูดว่าไงนะเรื่องที่หนึ่งมาฮาดะอินละบาชารุมมิสลุกุมนว่นนี่ไม่ใช่ใครมาจากไหนหรอกนอกจากเป็นคนธรรมดาสามัญชนเช่นพวกท่านให้พวกคุณอย่าไปยอมรับมาแอนตี้ข้อที่หนึ่งคนในหมู่บ้านเดียวกัน ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอไอ้มุดไอ้มินไอ้มัดแค่นี้แล้วมันจะไปไหนมาใช่คนพิเศษอะไร Summer. นี Rest, ่นี่ชี้ชีชี้ให้ชาวบ้านเห็นว่าอย่าไปเลือกมันพูน้นี้อย่าไปเอามันเรื่องที่สองยู่ดีดูในอยตตาฟบดและอะกุมอัลลอ์เรื่องที่สองนี่ดีพูดยังไงรู้ไหมพวกเขาอะ อยู่รีดูไอยาตาฟบดละไม่ใช่ละ่ะใช่ไหม oh. ว่าไม่มีละ่ะอยู่รีดูนะอยู่รีดูอยู่รีดูไอยาตาฟบดละอะไรกูต้องอยู่รีดูมันจะอยู่รีดูอยู่รีดูว่าเป็นเอพกพจน์นวดคนเดียวนวเนี่ยต้องการอะไรเขาปราถนาที่จะทําตนให้เด่นยาตาฟบดแปลว่าทําตัวให้เด่น ทำตัวเด่นทำตัวดังทำตัวให้คนรู้จักทำตัวให้เด่นเรื่องที่สองที่กล่าวหาดะบีนัวที่มาสอนศาสนาเรื่องที่หนึ่งก็คือเป็นคนธรรมดาสามัญชนเรื่องที่สองนัวไม่ต้องการอะไรต้องการความเด่นความดังต้องการอยากจะดังนี่ไงข้อกล่าวหาที่สองข้อกล่าวหาที่สาม والله ชาอัลลอฮุลาอันซาลามาลาอิกะคุติสามีตําหนิอัลลอฮ์แล้วถ้าหากอัลลอ์ประสงค์ถ้าหากอัลลอ์ประสงค์เราชาอัลลอฮ์ถ้าหากอัลลอ์ประสงค์ล า, الله, า, าอันซาลาอัลลอฮ์จะต้องส่งมาลาอิกะมาไม่ใช่ส่งคนอย่างนบีนุฮมาตําหนีใครเนี่ย ต่ำเนี่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งคนผิดมาถ้าจะส่งคนมาสอนเนี่ยต้องส่งอะไรมานะมาลาอิก้ามาไม่ใช่เลือกคนในหมู่บ้านนี่มาเป็นผู้นำไม่เอาเข้าใจนะข้อที่หนึ่งนวเป็นคนธรรมดาธรรมดาเหมือนพวกท่านนี่แหละแต่ยังเป็นผู้นำข้อที่สองนบีนวลต้องการอยากจะเด่นอยากจะดังข้อที่สามต่ำนี่อัลลอฮ์นะถ้าหากอัลลอฮ์ต้องการจะส่ง คนมาสอนจริงๆต้องไม่ส่งคนต้องส่งอะไรมาแทนนะมาละอีก้ถ้าเอาเอเามาริกามายุ่งอีกพอมาสอนมาละอีก้าเองไม่กินข้าวไม่กินอาหารไม่แต่งงานไม่มีลูกเองจะรู้เรื่องของฉันได้ยังไงเอาขานมาอีกเต็มเลยนี่สังเกตทิศายนะดีไซน์ของคนที่ไม่ a ี t อิสลามนะเอาตัวมาครับข้อท <k ot isi> ah ี่สีมาสามีงานเบฮาดา มาไซเมนาแปลว่าเราไม่เคยได้ยินบิฮาจาเรื่องอย่างนี้คือนบีนวฮันมาสอนอย่างไรเรื่องอัลลอฮ์มีองเดียวเราไม่เคยได้ยินมาก่อนพวกเราไม่เคยได้ยินเรื่องพระเจ้าองค์เดียวมาก่อนไม่เคยได้ยินได้ยินแต่ร0อยองค์200องค์300รอองค์ถ้าอยู่ในหินอยู่ประเทศอินเดียส0ม0 0 0องค์ ฉันได้ยินในเรื่องพระเจ้าหลายองค์มาตลอดแล้วมูนัวมาสอนดีๆให้เหลือพระเจ้าองค์เดียวฉันไม่เคยได้ยินจากใครฟีอาบาอีนาจากบรรพบุรุษของเราจากปู่ย่าตายายของเราปู่ย่าตายายไม่เคยสอนเรื่องพระเจ้าองค์เดียวมาตลอดแล้วก็อัลอาววลีนแต่ก่อนก่อนาวันมาถึงยุคแรกแรกแต่ก่อนก่อนมาแล้ว พี่น้องสักเกตให้ดีนะ <c oughs> ชาวบ้านทั่วๆไปนีนะ่เป็นประเพณีปฏิบัติเลยนะเขาจะไม่ฟังใครนะเขาจะฟังผู้หลักผู้ใหญ่ใช่หรือไม่ใช่วันนี้ก็เหมือนกันในกลุ่มพวกเราที่เอาซุนหน์ามาสอนเนี่ย <c oughs> สอนยากอะ <c oughs> พอมาสอนด้วยยึดอัลลอ์พอรักไหวพอยึดซุนหน์านาบีโอ้โหยึดซุนหนานา์นบะีเนี่ยมันข้านกับ ภาคปฏิบัติของชาวบ้านเต็มไปหมดเลยนะทั้งๆที่เป็นแขกอยู่แล้วนี่แหละเป็นมุสลิมอยู่แล้วนี่แหละเพราะว่ามุสลิมเราเราก็รักษาประเพณีปฏิบัติมาตลอดใช่ไม่ใช่เพราะว่าปูา่ย่าตายายเราบางทีมากับพุทธมาจากพราหมณ์มาจากฮินดูใช่ไหมนะและประเพณีปฏิบัติเก่าๆยังยยังรักษ า, ก, ก, ษากันอยู่นะไม่ใช่หมดไปนะมาเป็นมุสลิมแล้วเปก็ยังอยู่เช่นอะไรบ้าง เออจะจัดโกนผมไฟใช่ไหมล่ะไอเปรเปริลเนี่ยมาจากพรามณ์หมดเลยนะมาจากพราหม์ทั้งหมดแล้วก็อ้อยเกินเหมือนกันวันอะไรนะวันวั น, วนแต่งงานใช่ไหมพาเจ้าเบามามีอ้อยมีนู่นนั่นของพราหมณ์ทั้งหมดเนี่ยรับเขามาฉะนั้นเวลาใครมาสอนมาว่าสุนทรนะบีเป็นอย่างนี้เนี่ยผมนี่รับได้มไหมรับไม่ได้ฉันไม่เคยได้ยินเรื่องอย่างนี้ความจริงเนี่ยมาเรื่องสมัยในบีนวัว แต่สมัยนี้มีไหมมีอัคีด่าเหมือนกันเนี่ยแอนตี้คาสอนของอัลลอฮ์ผ่านนาบีทุกองค์นบีถูกแอนตี้หมดเลยเอานาบีนวถูกแอนตี้กี่เรื่องนะสี่เรื่องเรื่องที่หนึ่งชาวบ้านเอออย่าไปเชื่อรอยนวนะนวน่ะเป็นคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละเรื่องที่สองนวมันอยากดังเรื่องที่สมมันเอาอะไรมาสอนเนี่ย ถ้าจะมาสอนเป็นผู้นำจริงต้องไม่ส่งนบีมาต้องส่งคนมาต้องส่งมลัยกามาแทนไม่จะส่งคนในบ้านเรามาแทนเรื่องที่สี่คำสอนของนบีนว น, นั้นมาสอนเรื่องพระเจ้าอนเดียวมาซาเมอานาฮาบิฮาา่าเราไม่เคยได้ยินเรื่องเหย่่อนี้มาก่อนเลยจะใครจากปู่ย่าตายายของพวกเราฉะนั้นสุหนเ้เผยเผยแร่ยากอัลลอฮกว่าจะนําอามาบวช เดือนอะไรนะเดือนอะไรอ่ะก็ทำทำกันนะนะั่นแหละทำอะไรนะวันที่สิบมหาห้รองใช่ไหมเอาลองจะมาสอนเรื่องบวชให้วันวันที่หนึ่งวันที่เก้าเก้ากับสิบสองวันเนี่ยแอนตี้มาถูกแอนตี้เท่าไหร่ก็กวนฟุกโกันมาตลอดนะอ่ะมาเจอวันอีกก็เหมือนกันพอนามาด อ, อีเสเซนแล้วเข้ากูโบกันใช่หรือไม่ใช่พอเรามาสอนเรื่องการอะไรนะทํากุฎบาตรเอาอะไรมาสอนเงี้เนี่ย ปู่ย่าตายายไม่เคยเชื่อกูรบาลก็เชื่อเฉพาะทำเมื่อกีก็ครั้งเดียวในชีวิตนั่นคือชาวบ้านทั้งหมดเลยฉะนั้นฉะนั้นใครที่นำเอาของดีที่มาจากอัลลอฮ์มาสอนเนี้ยถูกแอนตี้ทั้งหมดถ้าไม่ยืนหยัดไม่สำเร็จนะครับทูนบีสอนไงนะอับดูอาไลฮาบินอวายิจจงกัดสุนนะให้แน่นเพราะนาบีรู้อัลลอ์รู้ว่าถ้าทำเยาะแยะเยะแ ย, ย, ย, ย, ยะนี่นะสุนห์หายหมด ไม่เหลือบนหน้าแผ่นดินใบนี้นะครับอย่างแน่นอนอ่านทำอยูอ่ดีแล้วนะนี่น บ, บีนัวถูกอะไรนะถูกตามนี่กี่เรื่องนะสี่เรื่องเอาทีนี้ <c oughs> อุลมะอธิบายต่อนะผู้นำที่ว่ามุลิกี้เนี่ยผู้นําผู้นําของผู้ปฏิเสธแล้วก็พวกของเขาที่เดินตามผู้นําของเขาเนี่ยวันนี้เนี่ยเขารักกันใช่หรือไม่ใช่ขเขาเชื่อผู้นําเขาเพราะแอนตี้กับแอนตี้ลูน้องกับแอนตี้ตามด้วย ผู้นำพูดสามข้อมันก็เชื่อสามข้อกับพูดสี่ข้อกับพูดสี่ข้อเชื่อสี่ข้อเลยในกุ้งอ่านอธิบายอย่างนี้คนที่รักใครกันในวันนี้อย่างคนที่ต่อต้านอิสลามมีลูก น, น้องเป็นแสนลูกย่ายนะไอ้แสนคนกับหัวหน้าเขาเอาจจะมีสี่คนห้าคนก็ตามหัวหน้ากับลูกน้องของเขารักใครกันนะรักหรือไม่รักรักช่วยเหลือเงินกันบริจาค ก, กันดูแลกันปกป้องกันอย่าเอาซุ น, นัขเข้าบ้าน อยอาซุนนะมาสอนที่มัสยิดนะอยอาซุนนะมาสอนในหมู่บ้านนะห้ามเข้าคลองนะการใครที่เรียนซุนนะอิหมั่งประกาศฉันจะมาให้ฟังที่กูโบมันก็มีมาตลอดตลอดเวลาทีนี้คุณอ่านอธิบาติคนที่รักกันในวันนี้ อ, ลอัลอาคิลคนที่เป็นเพื่อนกันรักใครกันแอนตี้ศาสนาอิสลามดูกันทั้งหมดนี่นะยามาอีญินในวันกี่อะมะบาอุดฮุมหรือบาบินอดู พวกเขาจะกลายเป็นศัตรูกันเลยมจยาจากยานียานอื่นค่ะอัลอาคิลลายามาอิรบาอุดุมดีบาดินอดูคนที่รักใคร่กันเพื่อแอนตี lam, ้อิสลามแอนตี้รอซูแอันตี้ซุนน่านบีที่คลอรักกันในวันนี้พี่น้องไปมาหาสู่กันเยี่ยมเยียงกันส่งอะไรกันตลอดเวลา รักใครกันในวันนี้ก็จริงแต่พอไปวันเกียรมากลายเป็นศัตรูซึ่งกันและกันอิลลมุต ต, ตีนอกจากคนที่รักกันในทางของอัลลอ์ที่ถูกต้องเท่านั้นถึงจะรักกันบนโลกดุนยาและโลกอาคีร์ด้วยแต่ว่ารักใครกันเพื่ออนตีหลักการอิสลามรักใครกันแอนตีซุน่านบีรักใคร ก, ใกันเฉพาะบนโลกดุนยาพอฟื้นขึ้นมากลายเป็น สัตตูซึ่งกันและกันนี่อยู่ในคัมภี์อุลตร้ราในคัมภี่น้องอยู่ในสุรัชุครุฟอา้อาที่สี่สิบสามมันทึกงเราก็ไปดูนะครับ <c oughs> อุลมามะอธิบายต่ออีกพี่น้อง <c oughs> คนที่แอนตี้อิสลามอ่าคนที่แอนตี้อิสลามแล้วตายในสภาพที่ยังไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวไปหาอัลลอฮ์พี่น้องพอฟื้นขึ้นมาในทุ่งมาชัดพี่น้อง ในวันเตียมะบางคนก็นอยู่ในนรกจะพูดว่าอย่างงี้ยาคูรุยาไรแตนาอัลลอฮ์น้ารัสูล่โอ้ถ้าเราได้เชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์และเราได้เชื่อฟังปฏิบัติตามรอซูลก็จะดีไปบนตอนไหนทอนโยลงไปในนรกแล้ว ถูกย่างบนไฟแล้วถูกลงโทษที่ไฟแล้วไปนึกได้อัลลอฮฺอักบารเราเนี่ยแอนตี้คาสั่งของนบีทุกคนอย่างยุคเราก็แอนตี้นบีมุฮัมมัดแอนตี้ซุนน่านาบีมุฮัมมัดทายุค ข, ของนบีนัวก็แอนตี้คาสอนของนบีมุฮัมมัดทุกยุคทุกสมัยถูกลงโทษเหมือนกันพี่น้องเพราะถูกโยงลงโทษจะลงไปในไฟในี่ยลงแตพูดว่าไงนะอัลลอฮฺอลัอลลอฮเราปฏิบัติตามอาลัลลอฮ ว่าอัตโนร์ศูนยปฏิบัติตามศูนยก็จะดีจะต้องไม่ถูกลงโทษอยายะที่สองอธิบายต่อนะครับประชาชนที่ตามหัวหน้าที่แอนตี้อิสลามจะเป็นสนึกตัวตอนไหนครับนู่นะวันเกียมหมาดนู่นพูดว่างี้ครับรบบับบานาอิ้งนะอัตโนรออนย์นาดะต้ไม่ลาะบตะรับะนามัว้่แอลาะสไรูวัยด่ว่าอะร้ร โอ้พาะผู้อธิบาลของเราเอ๋ยถ้าเราได้เชื่อฟังปฏิบัติตามเนี่ยทุกวันนี้ที่เราต้องเป็นอย่างนี้ต้องอยู่ในนรกเนี่ยเพราะเราตามหัวหน้าของเราหัวหน้าที่พาเราไปทางผิดๆเนี่นะหัวหน้าที่แอนตี lam, ้อิสลามแอนตี้ซุนานบีเนี่ยเราในปฏิบัติตามหัวหน้าของเราเราปฏิบัติตามกูบารออาณาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านของเราฟาอัอลลูนัสบีละ บุคคลเหล่านี้นะ่ะทำให้เราหลงทางประสานึกตัวตอนไหนตอ น, ตอนฟื้นขึ้นมานะ่ะถูกลงโทษจากไฟนรกแล้วเท่งจะสำนึกตัวเห็นยังครับอ่ะแล้วนี่ลดานะตอนนี้ ด, า ด, าดาัาดันดันดาวนาด่าอย่างงี้รับบานาอิอัติหิมทิอฟไอเนมินาลอาบข้าแตกพระผู้มรยาบาลของฉันเออยของเราเออย ได้โปรดลงโทษพวกเขาสองเท่าโปรดลงโทษพวกเขาสองเท่านี่ใครพูดด้วยนะลูกน้องที่ปฏิบัติตามหัวหน้าบนโลกดุนยาเบนี้ในทางที่ผิดๆที่แอนตี้อิสลามไปขอดุอาต่อรออัลลอฮ์จ่าโปรดลงโทษหัวหน้าฉันกี่เท่าเดือไฟนี่สองเท่าสองเท่าสองเท่าสองเท่า ว่าอันฮุมลานันงกะบีรอแล้วก็จงงดเมตความเมตตาตุงสาบแช่งพวกเขาเหล่านั้นด้วยนี่ใครขอนะลูกน้องไปขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เล่นงานหัวหน้าที่พาเรามาในทางที่ผิดพาเราแอนตี้คำสอนของอัลลอ์แอนตี้คำสอนของสุนนนาบีของนบีทุกคนที่มาในยุคที่ผ่านมาพป่น้องเข้าใจนะทัเดียร์อ่ต่อมาอายาที่ยี่สิบห้านะครับพี่น้อง ที่2ี้นี่นี่ก็เป็นข้อข้อกล่าวหานบิน่าถูกตั้งข้อกล่าวหาข้อที่ห้าครับข้อที่หนึ่งรู้แล้วข้อที่สองที่สามที่สี่ข้อที่ห้าอินหัวอินละรจุลุมบิอินหัวอินละรจุลุมบิฮิจิน ت َ ر ร ب บบ ص ُ و ا ب ِหِ حتى حين إن هو إلا رجل به جنة فتر ับบัซซูบِห์ حتى حين อัลลอฮ ب อบข้อที่ห้าในบีนัวถูกกล่าวหาอินหัวนัวคือว่แปลว่านัวเขาเนี่ยนะ อินแปลว่าไม่ได้เป็นอะไรนัวนั่นไม่ได้เป็นอะไรอินละรออยู่ลูนนอกจากเป็นชายยินนาตุนบ้ายินนาเนี่ยมันจนูนแปลว่าบ้าอัลลอฮ์เล่าหมดเลยว่าเขาคิดอะไรเขาด่าอะไรกับนบีนะอัลลอฮ์ น, นำเอามาเล่าในคันฟีรคุรานหมดเลยฉะนั้นข้อที่5ที่ประชาชน ชาวบ้านแล้วก็หัวหน้าของเขารวมตัวกันเล่นงานนาบีนัวข้อที่ห้าก็คือนัวไม่ใช่ใครนอกจากเป็นคนเต็มไปด้วยความบ้าเป็นยังครับอาอยู่เท่าวันนี้วันนี้วันนี้วัน น, น, นี้ในกลุ่มพวกพวกเราเนี่ยนะใครที่นำอาซูน่ามาสอนน่ะถูกดาวว่างนะอะไรวะฮับีข้อที่สองคณะ อ่าคณะอเมยข้อที่สามภาษามระยูโกมมูโดตามมาเต็มเลยนะสมัยนบีนัวเนี่ยใครนำออิสลามมาสอนแบบเพียวๆมาจากอัลลอ์นะถูกตำหนิกี่ข้อห้าข้อไม่ใช่สี่ที่ห้าข้อข้อที่ห้านี้นัวไม่ใช่เป็นอะไรหรอกนอกจากเป็นชายที่เต็มไปด้วยความบ้าหรือเสียสติอัลลอฮอักบานอัลุซบิลลาอัลลอฮ์จะเลือกนบีนัวบ้ามาเป็นมาเป็นนบีเหรอ ไม่ใช่คนบ้าแต่ประชาชนใส่ร้า ย, ายไปน้องเพราะมีหัวหน้าอคอยกุกกุกุเรื่องนะไปนอ้องอ้าวต่อมาครับฝาตารอบบาซูเพราะฉะนั้นรับบรซ็อปจงรอคอยอย่าเพิ่งไปเชื่ อ, อหัวหน้าพูดว่าให้รอไปก็ อ, อย่าเพิ่งไปเชื่อมนานานแล้วน้น่ะเพราะข้อที่ห้าเนี่มันบ้าไปแล้วฉะนั้นรอข้อที่ห้ามันบ้า ฟาตรอบบาซูจงรอคอยฮิเพแปลว่าชั่วระยะหนึ่งนักตัศนิอ ธ, ธิบายยังไงพี่น้องข้าว่าฟาตารอบบสซูฮัดบิฮัตตาฮินจงรอคอยชั่วเวลาหนึ่งจนกว่านัวจะได้นะจะหายบ้าให้รอเนี่ยรอจะหายบ้านะครับหรือไม่ก็ตาย รอจนกว่านวลจะหายบ้าหรือไมกก่ก็ตายพี่น้องอัลลอฮฺอักบารรอให้หายบ้าหรือไมกก่ก็รอให้ตายเดี๋ยวมันก็ดีเองตัวลงถึงเชื่อเชื่อไหมไม่เชื่อพี่น้องนี่ไงคำด่าของญาติพี่น้องของกลุ่มของน บ, บีนวเองเนี่ยตําหนิน บ, บีนวกี่เรื่องนะห้าเรื่องพวกเราวันนี้คนที่สอนสนุนนะถูกตำหนิแค่สามเรื่องเองหนึ่งก็ไรนะวะฮับีขณะมยัย อะไรจะโกมูทก็ธรรมดาแต่คนที่อ่านคุรานอ่าไม่มีปัญหาเชิญตามสบายเลยจะด่าเท่าไหร่ก็เชิญนะครับพี่น้องเท่าไหร่เอ้าต่อมาอายาที่เท่าไหร่อายาที่ยี่สิบหนะพี่น้องทีนี้ผมอ่านกุรานต่ออีกนะคุรานอธิบายคุรานนะอายาอื่นอธิบายอย่างนี้เขาบอกว่าคนที่ตามนบีนูอานั้นะเป็นคนจน คนที่ตามนาบีนวลเป็นคนจนทั้งหมดแล้วก็เป็นคนบาดยาร่อะเยเป็นคนที่ไม่มีเกียรติในสังคมเป็นคนสมองเสมอเป็นคนไม่ค่อยดีเหมือนกันตอนที่นบีมุฮัมมัดมาสอนอิสลามที่นครมะการนี่คนที่เชื่อนบีมุฮัมมัดนะ่ะอย่างกับบิลลาดนะเป็นไงบิลาดเป็นไรเป็นทาสผิวดําด้วยแล้วก็จนด้วย คนอย่างวีลานรับอิสลามแล้วใครมันจะเชื่อดูสิดูสิสแต่ละคนที่นบีที่มุฮัมมัดอามาสอนเนี่ยรับอิสลามแต่ละคนแต่ละคนอัลลอฮ์มิจะคนบูเรบูเรนี่สายตาของเขานะคนจนๆในหมู่บ้านทั้งนั้นเห็นยังรครับทีนี้หลักการอิสลา ม, นะ Allah, มาเนี่ยอัลลอฮ์มาได้ดูถูกใครสักคนทุกคนเท่ากันหมดพี่น้องบนโลกดุนยาเบนี้ไม่มีใครเด่นกว่าใครนะ ถ้าจะเด่นเพราะคนนั้นมีอิสลามมีาศาสนามี إ ي م านคนนั้นเด่นกับแล้วคนที่ค้านอิสลามส่วนให ญ, ญ่รวยหมดเลยใช่หรือไม่ใช่เอาลอนพี่น้องกว่าที่เราจะไปนามาฎอิดกลางกลางแจ้งได้เอาคนแขกเรานี่ก่อนหน้าเมื่อก่อนนี่นามาฎอิดในในใ น, ในมัสยิดเนี่ยกว่าจะออกไปนามาฎกลางแจ้งได้เนี่ยล็อบบี้กันห้าปีไม่มีใครยอม啊 ภาษาที่พูดก็คือปู่ย่าตายายไม่เคยทำแล้วเองไปออกนมาดอีกกลางแจ้งทำไมออลลอเหนื่อยนะพี่น้องต่ท้อได้ไหมไม่ทอ้อเพราะฉะนั้นศา ส, สนาอิสลามพี่น้องครับถ้าทำผิดอะไรจากประเพณีปฏิบัติชาวบ้านแอนตี้หมดเลยนะัะน้าต้องระวังนิดนึงนะต้องต้องพูดความ้าติในฉล า, าดเยอะครับผมเนี่ยฉล า, าดนะดูเลยออลลออักบัดกว่าจะ กว่า จ, จะเปลี่ยนนะเป็นซุ น, น่านเนี่ยเ อ, อารอใช้เวลาหปีสิบปีนะเปลี่ยนทีละเรื่องละเรื่องละเรื่องพอเปลี่ยนภาพน้าก็ถูกด่าทีเปลี่ยนทีก็ถูกถาดีไอ้คนจะยืนป้อง ก, งกันกำมีพ่อกับแม่นั่นแหละเป็นธรเลยกูดูแลเองอย่างอี้เป็นต้นนะอาพี่น้อง <c oughs> ตกลงว่านาบีนวัวเนี่ยคนที่เชื่อนบีนวัวส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านธรรมดาแล้วเป็นคนจน น บ, บีรวมหมายถึเหมือนกันคนจนๆและคนชาวบ้านธรรมดาที่มาศรัทธาต่อน บ, บีนัวเลยถูกด่าว่าเป็นคนไม่มีสติปัญญาเป็นคนจนคนไร้ไร้สมรรถภาพแล้วพวกเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอต่อมาอายาที่2ี่กนะครับอลรอบบินซุรนีบิมากัลซาบู ขอละรบบิญสุรนีบิมากัซาบูลโอตัวนี้เป็นดวอานองนี่เป็นดวอานะใครขอดวอาครับนบีนัวขอดวอาขอว่าไงครับรอบบีข่าแต่พระผู้อภิบาลของฉันเออยุนสุรนีได้โปรดช่วยเหลือฉันผลสุดท้ายตัวทำไงครับ พึ่งขายต้องพึ่งอัลลอฮ์เห็นยังครับนี่เป็นการสอนให้พวกเราวันนี้เอาตัวอย่างน บ, บีนัวมาใชา้เวลาทําอะไรไม่สําเร็จหรือก่อนทำให้ทําไงให้ขอดูอาต่ออัลลอฮ์นบีนัวขอดูอาว่าไงครับรอบบีพระผูอ้อภัยบาปของฉันเอ๋ยอุนซูรนีได้โปรดช่วยเหลือฉันบีมาคาบูนเพราะพวกเขาว่าฉันโกหก เพราะพวกเขาว่าฉันพูดโกหกพี่น้องกว่ากว่าจะขอดุอาศเนี่ยใช้เวลาสอนศาสนากี่ปีนึกภาพนบีนุนสศาสนาษากี่ปีเก้าร้อยห้าสิบปีเห็นยังครับในคุรุอานอธิบายสุรร้ออื่นสุรร้อนุวนอธิบายปมะชัดเลยก็ที่จะขอความจริงดุอาศเนี่ยมันขออยู่แล้วประจําอยู่แล้วแต่ดุอาศไออัลลอฮฺจะช่วยฉันหน่อยฉันไปไม่ไหวแล้วนะ กี่ปีครับ950ปีใช่ไหมฉะนั้นบรรดานาบับีผู้นําสอนศาสนาทั้งหลายเขาจะตัดขาดกับอัลลอฮ์ไม่ได้เราเองก็เหมือนกันวันนี้จะตัดขาดกับอัลลอฮ์ไม่ได้ต้องผูกพันกับอัลลอฮ์ตลอดเวลาคำเรียกว่ารอบบาญยีนหัวใจที่โยงกับอัลลอฮ์ตลอดเวลาจะทํางานธุรกิจอะไรก็ตามเล็กๆ น, น้อยๆก็ต้องโยงกับอ AH, นะัลลอฮ์นะงานศาสนาเป็นงานที่มีเกียรติมากที่อัลลอฮ์ได้ อธิบายเรื่องวิธีการเผยแพร่อิสลามงานหนักมากพี่น้องการหสิปีคนไม่เชื่อเสร็จแล้วเป็นไงนะย่ารอบบินบินซูรนีบิมากาซาบูอลาาัลลอฮจะโปรดช่วยฉันหน่อยเถอะเพราะพวกเขาไม่เอาฉะแลว้วหมดความสามารถต้องพึ่งอัลลอสุบฮานาหาูวาจ า, า, าพี่น้องครับหลังจากถูกดา่ากี่เรื่องนะห้าเรื่องเรื่องที่หนึ่ง นัวไม่ใช่ใครเป็นคนสามัญชนธรรมดาอยากจะเป็นนบีข้อที่สองต้องการจะทำตัวให้เด่นให้ดังต้องการเกียรติยศจำการตำแหน่งข้อที่สามตําหนิอัลลอฮ์ส่งคนมาผิดถ้าจะส่งต้องสนมาลาอิกะข้อที่สี่สอนเรื่องอะไรไม่รู้ไม่เคยได้ยินมาก่อนสอนให้นับถือพระเจ้าองค์เดียวนี่มุสลิมแล้วก็สําไม่เบานะ นับถืออลัลลอฮ์องเดียวไม่พอนับถือโตตะเกียอีกมีหรือไม่มีมีครับนี่พี่น้องเราที่อยู่ทางปัดถังทางใต้น่ะผมมีเพื่อนหลายคนน่ะหัวเรือน่ยมีผ้ากี่สีอ่ะเจ็ดแดสีนะมีขาวมีเหลืองมีแดนงนถามวผูกทำไมป้าจไม่รู้เรื่องมันมีอะไรล่ะช่วยลมได้ลมพายุมานี่ปกป้องได้นั่นน่ะชีริตไม่ไม่พี่น้องทาเราไม่ไ ม, ไม่ไม่บอกกันไม่เตือนกัน คนธรรมดาชาวบ้านนี่แหละทําชีวิตเยอะเลยหมดเลยพี่ต้องครับสังเกตนะคนที่ทํานี่มีเมื่อวานนมีมมมมคนยังกลับจากอุมรอ้องพบ ก, กับผมที่ว่ามีชื่อมุ h ม m m a d ติดบุหรี่อย่างแรงเลยพ่อแม่บอกให้เลิกมัดเ อ, อเลวสูบบุหรีเ่เธอไม่เชื่อก็ไปทําอุมรอ้องไปขอดูอาอย่ารอฉันจะเลิกบุหรี่ตอนนี้เลิกไ ด, ได้แล้วใช่ไหม แนั้นพี่น้องมันต้องเข้าหาอาลัลลอฮ์พี่น้องไอ้คนที่ทำบาปนี่พี่น้องส่วนใหญ่เขาจะรู้ตัวเขาจะทำผิดนะแต่คนอยู่สองกลุ่มพี่น้องทำชิริ ก, กทำบิดานี่นะไม่รู้สึกตัวว่าทำผิดเนี่ยอุลมามะอธิบายให้ฟังนะมีอยู่สองกลุ่มเท่านั้นเองที่ทำผิดแต่ไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดคนที่ทำซินารู้ว่าบาปสูบรีบาป ทยอยต่อพ่อแม่บาปรู้หมดผู้นี้รอรอได้นะรอต่อบาตตัวแต่มีอยู่สองกลุ่มทำชี้ฤิ์กับทาบิดอานี่ไม่มียอมเรื่องกลับตัวไม่มีรอตายอ่ะอย่างบิดานี่พี่น้องนบีไม่ทําแล้วมาทำเพิ่มเพิ่มเพิ่ม ม, มากกว่านาบีทํานี่ไปสอนไปบอกเลยเองเดี๋ยว่าฮะบีเอง็งเองเป็นนั้นเอ็งพวกนั้นพวกนี้อย่ามาสอนข้าเนี่ยผู้นี่รอตายหมดอ่ะและอย่างกลุ่มที่ทําชีรฤิ์ต่อรอไปหาตัวตะเกียเนี่ยหาตัวระยอมเนี่ย พวกทำบิดอาเนี่ยทำชิวิกเนี่ยพวกนี้ไม่ยอมรับบนตัวเองทำผิดนะพี่น้องนะเรื่องใหญ่มากนะพี่น้องนะแต่เราต้องน้อมน้อมถ่อมตอนตลอดเอาสุตน้าอับีมาใช้ในชีวิตประจำวันเอาต่อมาอายะสุดท้ายนะครับพี่น้องเฝ้าพยินาอิเลียห์อานิสนาอิลฟุลกับอัลอาอูนินาและวะพินา ไฟจาจ ا อัมรุณาว่ารสตันนูร์ฟัซลุกฟีฮ์มิงคุลินซาวจายนิสไนนลกอลมัน س ب ق ع ل ي ه ا ل ق و ل منهم ولا تخاصبني في الذين ظلموا إنهم م غ ا ر ع و ن الحمد لله فأوحينا إليه أنصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارتن ّ و ر فسلك فيها من كل زوجين زوجين نسنين و َ ه ل ك إلا من سبق عليه َ القول منهم ولا ت خ ا ط ب, ني, ب وا, ه, ี ي ولا تخاطبني في الذين ظالمون إنهم مغرقون الحمد لله บ้องอันกุณอ่านถ้าเข้าใจความหมายนะใจมันคุ้ช่วยอิหม่ามอ่านแล้วนั่งอยู่ข้างหลังฟังเนี่ยเอยไม่นอน้วก็รุกนึกความหมายมาด้วยนะใจครูช่วยมลใจไม่ลอยเอาดูดูความหมายนะครับ ฟ้าอ้าวไหน่ะว่ะแปลว่าเราได้ประทานวะฮีครับเราเราได้ดนใจประทานวะฮีให้กับใครครับอิลัให้กับนบีนะสเกตนะวะฮีเนี่ยอัลลอฮ์จะประทานให้ผู้ที่เป็นนบีเท่า น, านั้นยังพวกเราให้ไหมไม่ให้พวกเราอัลลอฮ์ไม่วะฮีให้เราแต่มีกับอิลามดนใจเล็กในน้อย แต่วะฮีหมายถึงความรู้ knowledge ที่สะอาดบริสุทธิ์นั้นอัลลอฮประทานให้กับบรรดานาบีทั้งหมดนะครับยีท่านนะครับแล้วที่ไม่มีชื่ออีกไนพี่น้องอัลลอฮวะฮีให้นาบีนววทำอะไรครับหลังจากขอดวงสอนมาแล้วเก้า้อยห้าสิบปีสุดความสามารถแล้วสอบบัตแล้วอดทนแล้วไม่เคยด่าพี่น้องสักคำานึ่งนี่อจจะตับสิดอธิบายดีนะไม่เคยด่าใครเลย ไม่เคยตำหนิญาติพี่น้องเลยว่าเอ็นอะเลวไม่มีเลยครับอ้าวพออัลลอ์สั่งเรื่องสุดท้ายอานิสไนจงทรรมจงต่อซนาอาแปลว่าทำจงต่อจงสร้างอัลฟุลกะแปลว่าเรือนี่พูดง่ายๆว่าเรือลำแรกที่สร้างบนโลกนี้คือเรือของนบีนะอัลัยฮิสซลา ไอเรือที่ตามตามมาตอนหลังที่ยาฮูดีมันสร้างๆกันนี่นะนั่นลอกเรียนมาจากนาบีนัวทั้งหมดนียความรู้อลัลลอฮ์ให้มานัวอลัลลอฮ์ได้สั่งได้วะฮีกับนบีนัวให้ทําอะไรครับอานิสนาอินฟุลิกจงต่อเรือบีอาอายุนีนามาจากไอนุนไอานานี่อายุนแปลว่าตาตาของเรา คําว่าตาขเขาอธิบายเนี้ยนะโดยการดูแลของเราเร า, าเป็นคุมเองนะว่าง่ายๆเองสร้างมาแล้วการฉันจะดนใจให้ทําอย่างนี้ต่ออย่างนี้ทํานี้ทำนี้ให้ยิบรีลงมาเป็นตัรดัเตอร์ไงเห็นไหมบีอาอยูนีนาะด้วยสายตาของเราด้วยตาของเราเองด้วยการดูแลในภะาษาอูรุกวะไงนะด้วยการไดนะนิกรานีนิกรานีฮามารีนักรานีมานานแม โดยการควบคุมดูแลของเรานวะซ่าใครดูแลอัลลอฮ์ดูแลเห็นยังครับเราเองกันมันกันวันนี้อัลลอฮ์ดูแลเราอยู่นะเออท่าที่เราลมาดยกมือตามสุนนะนบียกอย่างนี้กอดอย่างนี้หัวเขาทำยังไงอย่านึกเองพี่น้องเรียนสุนนะนบีแล้วอัลลอฮ์ดูแลอยู่เนี่ยอัลลอฮ์รักษาเอาไว้เนี่ยผลบุญอันนี้รักษาวันที่วันเกี่ยมัน นบีนัวทำมาเหนื่อยไหมต่อเรือเนี่ยเหนื่อยผลบุญมีมัหมมีครับฝ่าอวัยนาอไลฮิและเราได้อวฮีแกนนวว่าจงต่อเรืออะไรนะตาต่อตาของเรามาถึงด้วยการดูแลนะครับของเรานะครับต่อมาครับวะวะฮีนาและ วาฮีของเราคำว่าวาฮีตรงนี้เนี่ยเป็นคําสั่งของเราว่าวาฮีนะให้นบีนัวต่อเรือตามคําสั่งของเราให้ต่อตรงนี้อย่างนี้ทําอย่างนี้เอา ม, มาจากตรงนั้นมาต่อตรงนี้เรืออย่างนี้ทําอย่างนี้ล้อสอนหมดเลยนะครับฟาอิร์จัจอัมรูนะพอต่อเรือเสร็จแล้วพี่น้องระวังที่ต่อเรือนี่นะอายาอื่น อ, อธิบาย ถูกล้อระวัางที่ต่อเรือไปอาไม้ต่อเรือต่อเรือต่อเรือ อ, ร อ, อ, ร อ, อยากผิด น, น้องมากก ว, ว่หัวเราะเยอะนัวต่อเรือไปไหนเนี่ยใหญ่อย่ า, ยยางงี้นะ่ะทะเลก่อไม่มีมหาสมุทรก็ไม่มีเพราะไม่เคยเห็นทะเลงะ่ะก็วิ่งที่ไหนนัวบ้าแล้วมื่เพราะว่าบ้านี่จะคนมองละชัยแล้วมัวเน้นบ้าแล้วดูที่มันต่อเรือบนบกจะไปวิ่งที่ไหน ระวังที่ต่อเอร่ก็ถูกถาดทางถูกตํหนิถูกแปลว่าถ้าไม่อดทนเนี่ยงานเสร็จไหมไม่สำเร็จครับพี่น้องอต่อมาฟ a อี a Ja a อัมรุนาอัมรุนเนี่ยแปลว่าคำสั่งของเราหมายถึงการลงโทษอ m r รุนาหมายถึงอาญาบุนาการลงโทษของเราว่าฟอาอ a และเมื่อ คำสั่งของเรามาถึงอาสาบของเรายาอะมาเมื่ออาสาบของเรามาเอาหลอมาถึงการลงโทษของเรามาถึงวิธีวิธีวิธีอาสาบแบบไหนครับว่าฟาโรตันูฟาโรแปลว่าพุง่งพลอยพุง่งฟาโรก็พลอยพลยพุง่งฟาวารอบแปลว่าน้ําพุก็ได้ฟาโรก็พลอยพุ่องอัตตานูตันูนี่แปลว่า เตานะครับที่ปิ้งขนมปังสับเดิมนะ่ยแปลว่าที่ปิ้งขนมปังเตาที่ปิ้งขนมปังแต่ตรงนี้มีความหมายอยู่สองสองสองความหมายตันนดเนี่ยแปลว่าเตาที่ปิ้งขนมปังสองแผ่นดินทั้งบทนั้นเป็นเตาหมดเลยทีนี้น้ําเ น, นี่ยมันพุ่งออกมาพุ่งมาออกจากเตาว่าถึงพุ่งมาออกจากดินตันนูดหมายถึง ทั้งหมดนี่เป็นเตาบนโลกดุนยาไป น, นี้แผ่นดินตรงหนคือนั่นคือเป็นเตาสามารถน้ําที่จะพุ่งออกมาได้ตลอดเวลาวันนี้ไม่ได้พุ่งแต่พุ่งมาแล้วตอนไหนในสมัยของนบีนัวถ้าจะพุ่งมาอีกข้างหนึ่งได้ไหมสบายมากเลยจานั้นใครอยากทรยศต่ออัลลอฮ์วันนี้อัลลอฮ์ยังเมตตาอยู่นะแผ่นดินนะขอร้องทุกวันนะให้น้ําออกได้ยังแผ่นดินนี่ขอถูกอ้าต่ออัลลอ เอาล่ะจะให้น้ําพุ่งหรือยังฉันพร้อมที่จะเปิดแล้วพอพุ่งออกมาแบบนบั้นบนโนฉันเหลือได้ไม่เหลือครับตายเรียบหมดเลยนะฉะทัานวันนี้แผ่นดินขอดูอาต่อรอพร้อมที่ให้น้ํานั้นพุ่งออกมาจาแผ่นดินท้องทะเลก็เหมือนกันขมือขึ้าไม่ได้ขอดูอาต่อลอเห็นคนนอนแก้พราอยู่ชายหาดใช่ไหมอย่ารอาาขมือบแบบเซอั้นาบิเอาไหมเหมือนเกาเกาเนี่ยเอาแล้ววะใจเย็นๆใจเย็น ๆ, เ, นๆเห็นยังครับ ทอนชันฟ้าก็เหมือนกันถล่มเขาไหมล่ะคนที่ไม่สู่อยูต่ต่อรอคนที่ทำชีวิตต่อรอทำบิดอ่ะถล่มเขาไหมไม่ปฏิบัติตามสุนัขนบีทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้พร้อมที่จะเล่นงานมนุษย์แต่อละประวินเวลาว่าอามาดูอายะนีว่าฟ้ารันทแล้วก็น้ำ พวยพุ่งออกมาจากดินภาษาอูดูอธิบายติ่เมินเซปานิอุบาลนาชูรุโฮยาเอครับน้ําพุ่งออกมาจากแผ่นดินทั้งว่าตานูนมีสองความหมายนะความหมายหนึ่งปรว่าเตาไฟอันที่สองแผ่นดินทั้งหมดนี้เป็นเตาไฟนะครับอัลลอฮ์อัอลลอฮ์ใช้ภาษาพี่น้องมันน่าคิดนะนะน่าคิดมากเลยมาใช้ภาษาเตาไฟ แผ่นดินนี่เป็นเตาไฟหมดเลยนะเผาเราเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยเห็นไหมาชายภาษานะว่าฟาโรตันนูอลัลลอฮ์ให้น้ำพุ่งออกมาจากแผ่นดินต่อมาครับฟัสลุกฟีฮามิงกุลลิซาอยินไนนต่อมาครับก่อนที่จะน้ำจะพุ่งออกมาอลัลลอฮ์สั่งนะฟัสลุกจงบรนทุกสาละกะยัสลุกุจงบันทุกมาจงใส เอาเอาอะไรใส่เรือครับฟีฮาหมายถึงลงไปในเรือมิงกุลลทุกๆุกเจ้าใยนี้คู่ทุกๆุคือสัตว์แต่ละชนิดชนิดเนี่ยหาเป็นคู่ตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ตัวเมียใส่ไปในเรือตัวผู้ตัวเตัวเมียตัวงู้ยใสไปอิสซิสไนนี้สองคู่เลยนะอย่างนั้สองคู่สองคู่สองคู่สองคู่นี่ใครวางแผนนะ อัลลอฮ์วางแผนไงหมดเลยให้นบีนว่าเดินตามคำสั่งของอัลลอ์ุลมะอธิบายว่ามีอะไรบ้างอ่ะมีแพะ้องคู่ตัวเมียสองสองคู่แล้วก็มีแกะสองคู่มีวัวสองคู่มีควายมีอูดมีมามีลาแล้วก็มีนกสัตว์สัตทั้งหมดในโลกนี้นใส่ใสใสายๆไป สิ่งเหล่านี้จะอะไรนะพอลาน้ําขึ้นมาแล้วที่อื่นจะตายหมดแต่ยังมีเพาะพันุ์อยู่ในเรืออยู่พอล่น้ําแห้งตรงนี้เอามาเผยแพร่พันุ์อีกต่อไปเอาลองวางแผนอาไวแสดงว่าน้ําท่วมโลกวันนั้นน่ะท่วมเฉพาะในบีนวัวหรือท่วมโลกหมดเลยสรุปท่วมทั้งโลกเลยครับทั้งโลกเลยนะครับต่อมาครับวาอาลากะ โอ้ว่าอ่ะแล้วก็แล้วก็เอาครอบครัวของคุณนะขึ้นด้วยทำไมพูดเรื่งครอบครัวลนะ่ะต้องรักษาในบีนัวเอาไว้แล้วครอบครัวไว้เพื่อมาทํางานาศาสนาต่อใช่ไม่ใช่เนี่งานต้องรักษาคนกันไว้ไปน้องเอาแพะแกะอัวควายสัตว์แต่ละคู่ละคู่ขึ้นเรือแล้วยังไม่พอแล้วก็ครอบครัวคุณด้วยนะอย่าลืมแล้วครอบครัวก็เอาหรือเปล่ามีเอาไหม เมียนบีนัวไม่เอาอัลลอ์ลูกอีกสองสามคนก็ไม่เอาเห็นไหมแต่อัลลอฮ์พูดนะครอบครัวคุณด้วยพญาคุณลูกคุณด้วยเป็นไเห็นยังครับจะนั่นงานศาสนาเรื่องใหญ่มากครับต้องดูแลครอบครัวตัวเองก่อนพนลูกสามัยนี้มันก็ดื้ออร่อยเหมือนกันนะท่านพ่อแม่ตองมันขอดมาราบานาะฮับลานาะมินอั จ, จวาจีนาะอวจุริยาตินาะกุรตตาอายุน วันาลิมตตีนาอิมามาต้องขอว่าให้ลูกหลานอ่ะให้กับตัวเองด้วยต้องขอครับเอาต่อมาครับอิลลามันซบะกออะไยฮิลกาวลุมินสซาบะกอนี่แปลว่าถูกกำหนดไว้ก่อนแล้วคือคนที่จะจมตายจมน้ำตายคนจะถูกลงโทษเนี่ย ส่วนใหญ่อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วว่าคนนี้คนนี้คนนี้คนนี้คนนี้ต้องตายในการจมน้านอกจากคนที่อัลลอฮ์ได้ถูกกําหนดเอาไว้ก่อนแล้วมิ้นฮุมจากคนเหล่านั้นที่อยู่บนโลกดุนยาสมัยในดินนัวแสดงว่าคนที่จะถูกลงโทษแต่จมน้ําตายอัลลอฮ์รู้ไหมรู้ว่าตายกี่คนเหลือกี่คนขึ้นเรือกี่คนอัลลอฮ์รู้ไหมรู้ครับนี่สอนให้คิด เพราะฉะนั้นจงต่อเรืออัลลอฮ์ในงานใหญ่ต่อเรือแบบไหนครับบีอาอยูนี่นะด้วยการด้วยตาของเรามายียึงดยการนิกรานีโด้วยการดูแลของขอ ง, ของอลัลลอ์เองแล้วก็ด้วยการวาฮีของอลัลลอ์เองให้ต่อขนาดนี้ยาวแค่นี้กี่ช่องกี่ชั้นวิธีทำอธิบายหมดเลยละเอียดยิบนะเดี๋ยวรังอธิบายให้ฟังต่อมาครับเมื่อคาสั่งการลงโทษของเรามา นะครับว่าฟ้ารตานุนาเวลาอัลลอฮ์จะลงโทษใครนี่นะน้ําจะมาก่อนดังนั้นทุกครั้งนบีมุฮัมมัดเนี่จะกลัวมากนะเพราะนาบีอ่านอ่านอ่าอ่านอัจญ น, นี้ทุกครั้งที่ฝนจะตกเนี่ยพอฟื้นเข้ามาแล้วฝนจะตกนบีจะเดินเข้าออกกับบ้านเนี่ยมัสยิดบ้านมัสยิดบ้านเดินไปเดินมาพรยายะถามว่านาบีเป็นอะไรอะ่ะฉันกลัวกลัวอลัลลอฮ์จะลงโทษ แบบในเบญนัวเนี่ยพออาตสมุทรนี่ทุกสมัยถุกลงโทษกันหมดฝนมาฟ้ามานึกว่าจะเป็นรามากกลายเป็นอาญาครัวครับถามว่าพวกเราอะ่ะอย่างงี้มีไหมพอแล้วฝนฟ้ามานึกถึงอลัลลอฮ์มีกี่คนท่านนึกถึงตามสุนนะเบีได้บุลบุญตลอดเวลาเลยรวมจะมาอาลัลลอฮ์นึกถึง อ, อัอลลอฮ์เราจะอยาให้ลวมมาแรงเลยเพราะบ้านเราก็หลังเล็กๆอ่ะหลังกระตองกระสอบ ราคาจากพัดแรงๆก็พังแล้วอย่าเราจะทำไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาฮัมด้เลยนะพี่น้องโลหะยิ่งใหญ่นะเอะต่อมาครับวัฟารัตต่นู่นนี่สัญญาณที่น้ำน้ำหยดท่วมกับกูน้ำเนี่ยมันจะพุ่งออกมาจากนั้นจากดินมาหมดเลยนะครับพี่น้องฟัสลุกฟีฮ์มิงคุลลินมิงคุลลินเจาใจมิสไนนี้ใหเอา เป็นคู่คู่หมายถึงสัตว์นี่เป็นคู่คู่สองคู่ขึ้นเรือนะครับวะอาลิกะวะอาลากะแล้วก็ครอบครัวของคุณด้วยอย่าลืมครอบครัวต่อมาครับอิลลามันซาบกออาไลฮิลกาวยกเว้นบุคคลที่อัลลอฮ์ได้กําหนดไว้ก่อนแล้วคนที่ไม่เอาอ AH AH AH AH ัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้จะต้องถูกลงโทษในตายนีอัลลอฮ์รู้ไหมรู้อยู่แล้วนะครับเล่าให้ฟังตรงนี้ พอถูกลงโทษเสร็จแล้วนะครับอัลลอฮ์สั่งอีกว่าละตูคอติบนีและจงอย่ากล่าวกล่าวโตนะโตฉันขอร้องฉันอย่าขอดูอาแหละพูดง่ายๆอย่ า, อยาขอดูอาขอร้องฉันอะไรนะให้ช่วยเหลือฟิลลาดีนาะรลามูผู้ที่อธรรมอัลลอฮ์ Allah สั่งในบีนน่านะใครที่ไม่เอาศาสนาวันนั่งจะจมน้ำตาย แล้วอย่าขอจากฉันอีกแหละอารออจะช่วยเขาหน่อยเธอเมียฉันไม่ได้ขึ้นเรือยังไงลูกฉันไม่ได้ขึ้นเรือเนี่ยอารออพูดดักไว้ก่อนจากนั้นอย่าขอดุทิให้ฉันช่วยเหลือคนที่ไม่เอาศาสนาที่คําสอนของท่านมาอย่าขอฉันนะอารออเห็นยังครับแต่เสด็จในพีนก็ขอเองอ่ะอารออจ้าจ น, นลูกฉันแนี่ย นั่นจะจมน้ำตาอยู่แล้วก่อนที่น บ, บีนวดจะจะขอดอุดรเรียกนุ่ลูกเอ้ยมาอยู่กับพ่อเนี่ยเราะว่าลูกว่าไงใช่ไมลูกว่าฉันจะพึ่งภูเขาพึ่งวัตถุหมดเลยอ่ะถึงว่ารอดได้ไม่รอดภูมเขารอดไหมไม่รอดครับน ว, ว่าลาอาลซิมเลียววันนี้ไม่มีใครรอดนอกจากพึ่งอรอดแล้วรอด ลกน บ, บีนวัวกาดฉันจะขึ้นไปบนบนภูเขาที่ไหนได้อยู่บนภูเขาสูงจริงน้ำมาตู้มตายเลยนี่เป็นข้อคิดทั้งหมดฉะนั้นอย่ายึดวัตถุเป็นที่ตั้งให้ยึดอะไรนะยึดอัลลอฮ์สุบฮาหนูร์ตาลาเป็นที่ตั้งแล้วเราจะปลอดภัยหมดอลัลลอฮ์ง่ายๆนี่น บ, บีพูดนะอยู่บนดุนยาใบนี้ถ้าแผ่นดินไหวมาแรงๆคนนั่งอยู่ในมัสยิดจะปลอดภัยและรอดหมดเลย คนเข้าสูเ่เรากี่คนเห็นยังอยู่ข้างนอกเต็มหมดเลยอ่ะยิงตีสังตีเสือเดือยู่หน้ายงเจริญผมยืนแก้ผ้าเยอะเช่นั้นถางว่ามีคนกี่คนที่เข้ามาสยิดอยากรู้ไหมรู้เหมือนสังค ม, มบังคับเอาว่าสังค ม, มบังคับมัไม่ถูกอิมานแล้วมันอ่อนเองกา่างล่ะถ้าอิมานเข้มๆในเะรื่องเชนั้น ดุนยาวันนี้โลกใบนี้วันนี้ถ้าจะให้ปลอดภัยยึดสุ น, าน่านในบียึดอัลลอฮ์แล้วก็นั่งอยู่ในมัสยิดเยอะๆหน่อยนะไองานมันก็ทําอยู่แล้วละคนที่ปลอดภัยก็คือคนที่อยู่ในมัสยิดของอัลลอฮ์สุบฮานูตัลลาเพราระฉะนั้นในมิถุนานมาเนี่ยที่ประเทศอาเจใช่ไหมล่ะอาหรบ้างที่เหลือพวเราโนอกนั้นเรียบร้อยหมดให้เหลือไปอันเดียวพวกเราให้เห็นนะจะทำายู่ลีลาต่อมาจ้ะ วัลลัตคขติบนีฟิลลีนาโลลมูมและจงอย่ากล่าวขอถอาต่อฉันเกี่ยวกับบรรดาผู้อาธรรมให้พวกเขาได้รับการช่วยเหลืออย่าขอนะอินนาหุมูกรอคูนตรงนี้ดีมากมุกรอกแปลว่าจมน้ำแท้จริงพวกเขาจะถูกให้จมน้ำตาย อินนาหุมมกโลกูณพวกเขาจะถูกให้จมน้มตายพี่น้องถางว่าตายแล้วจบหรือไม่จบอ่า mm hmm. เห็นอย่างครับตายแล้วไม่จบอย่าคิดว่าตายแล้วจบนี่หลายคนว่าตายแล้วจบใครบอกนบีพูดอย่างนี้ขณะนี้เนี่ยเราที่เดินอยู่บนดุนยานี้เขาเรียกว่าคนหลับ ที่ท่านกลังเดินอยู่เนี่ยเขาเรียก่าคนหลับนบีว่าพวกท่านนหลับคำให้ว่าหลับหะาจว่าใจนี่มันบอดจะตื่นตอนไหนาอนพะฝังกูโบปั๊บตื่นเลยโอ้โหอะไรกันเนี่ยเพิ่งไปตื่นนอนอยู่ในกูโบอตอนนี้เหมือนคนหลับตามันสว่างจริงแต่ใจมันบอดไม่ได้ น, นึกถึงอัลลอฮฺ ไม่ได้เห็นภาพอาเคโรไม่ได้เห็นภาพนารกสวรรค์เลยไม่มีใครสนใจศาสนานับีทูไงนะพวกเขาจะตื่นตอนหนตอนตายตอนนี้กําลังหลับกันหวชนี่พวกเราดีนะทำเลยละเอาละอกคุมครองให้มานั่งอยู่ ม, มสัสยิดวันนี้ทำดีดีแล้วนี่ถ้าอาซาบมาเนี่ยซาโปรนะเอาทำดีละขอลาตอนเร า, า, อ, า อ, อ้าพี่น้องตกลงว่าตายแล้วจบเลยไหมจบไม่จบครับบิมพวกเขาถูกลงโทษ เพราะพวกเขาถูกให้จมน้ำตายเพราะพวกเขาทำผิดผิดเสร็จแล้วยังไม่พอครับว่าอุดรคีลูพวกเราจะให้พวกเขาเข้าอยู่ในไฟนรกวิญญาณเข้านรกหมดเลยครับนักขฉะนั้นอย่าคิดว่าตายแล้วจบไม่จบถูกลงโทษ้วยการจมน้ำตายคดีจบแรกอยู่ไหนได้ครั้งหน้าเจ อ, อเต็มเลยรอว่อาว่าอ้าวคิดง่ายๆนะ ชีวิตบนดุญยานี้พอหลังจากตายต้องผ่านอีกแปดขั้นตอนเป็นต้องจำไปเลยนะ8ดขั้นตอนหนึ่งผ่านกูโบสองผ่านวันฟื้นคืนชีพฟื้นจากกูโบนันหนักแค่ไหนสใช้หัวเดินใช้เท้าเดินขี่ยานพาหนะไปผ่านทัชช่างผ่านบัญชีโอโลแล้วก็และนะ้วก็ผ่านสะพานใช่ไหมผ่านสอบสวน อีกเจ็ดแปดขั้นตอนนดุมยาในผ่านสี่ขั้นตอนอลัลลอฮ์สองสามสี่ขั้นตอนนี้คนหลังตายเนี่ยนี่แค่นนกูโบอย่างเดียวเนี่ยก็เรียบร้อยเราแย่ yeah แล้วนะอลัลลอฮ์ถามปัญหากี่ข้อนะสามข้อนี่ข้อสอบเผยมายังเผยแล้วนะฉันจะถามเธออ่ะสามข้อแต่สอบตกกันมึนแถวอะไรเพราะอะไรครับถ้าไม่จะใส่ใจมันรอมบูกะมันนบีอยู่กะมันอิมามูกะ ก็นีเนตนอละครับพี่น้องศิย์แล้วหลังจากตายไปแล้วจบหรือไม่จบไม่จบครับคนที่ตายแบบมีอีมานอัลล์ให้อยู่ในสวนสวรรค์กว่าอัลลอฮ์สับคนที่ไม่เอาอิสลามแอนตี้อิสลามรอการลงโทษจากอัลลอ์ตั้งแต่กูโบเรื่อยไปนะครับสุภานะกอุมาวะบิฮัมกับอิลลาะิลลอตัสตักซุวาตูบุไลกัสลามอลัยคุมร่าฮ์มตุลลอฮ์บรกา